เวลารู้สภาวะอย่าถาล่มลงไปรู้วงเล็บเปิด24เมษายนสอ5พัในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดถ้าเรารู้ลงไปนะทีแรกถ้าใจยังไม่ยอมรับจะเกิดอักษรวเยอะแยะเลยวันไว้วูบวาบวิววิววังเวงเวิงว้างทีนี้ถ้าดูต่อไปอีกใจค่อยตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันความเคลื่อนไหวรู้ทันความกลัวรู้ทันความเบื่อที่เกิดขึ้น ใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นใจจะเห็นสติมันจะรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไประหว่างรู้นี่จิตตั้งมั่นระหว่างรู้จิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรคือจิตไม่ถลำไปสังเกตดูเวลาพวกเราหัดภาวนาเวลาเราไปรู้สภาวะอะไรนะจิตเราจะชอบถลำลงไปรู้ใครเคยดูหนังจีนโบราณบ้างมันมีบ่อ น, น้ากลมๆที่ก่อขอบขึ้นมาหน่อย ที่ผู้ร้ายชอบจับนางเอกโยนลงไปหรือเอาคำพีไปซ่อนอะไรอย่างนี้บอ่อน้าอย่างนี้เวลาที่เราดูชะโงกลงไปชะโงกลงไปหัวทิ่มลงน้ำไปตกบ่อเวลาที่เราภาวนาเราก็ภาวนาแบบตกบ่อเหมือนกันนะส่วนใหญ่เวลาลงไปดูเห็นสภาวะอะไรจิตก็ไหลลงไปดูยกตัวอย่างหลวงพ่อจะลองพยายามสมมุติวงเล็บเปิดหลวงพอยกพัดขึ้นมาดูวงเล็บปิดหลวงพอดูพัด จิตมันไม่ยอมไปนะต้องทำท่าทางจิตมันต้องถลำเวลารู้อะไรจิตก็ถลำไปรู้เนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตถลำลงไปมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันตั้งได้แวบเดียวเรียกว่าคณิ ก, กะสมาธิฉะนั้นเราคอยรู้ทันดูอยู่ห่างๆอย่าถลำลงไปจนหัวขมาตกบ่อดูเหมือนคนเห็นสิ่งของลอยมาในน้าในคลองในแม่น้าเห็นมันลอยผ่านไปเราอยู่บนบกอย่าตกน้า เราดูเหมือนเราดูละครเราเห็นตัวละครเล่นอยู่บนเวทีเราดูอยู่ข้างนอกห่างๆดูเหมือนคนดูฟุตบอลเรานั่งบนอัถจันดูอยู่ห่างๆไม่ถลาลงไปไม่ชะโงกจนตกอัทจันไปค่อยๆสังเกตนะเวลาที่เราไปรู้สภาวะอะไรนี่เกือบร้อยละร้อยเลยทั้งๆ ท, ที่ว่าภาวนาเก่งๆน่ะเกือนะบทั้งหมดแหละวงเล็บถ้าไม่ใช่พระอนาคาฉะนั้นไม่ต้องตกใจที่ถลำลงไปรู้ถลำแล้วรู้ รู้เดี๋ยวมันตั้งขึ้นมาแต่มันตั้งได้แวบๆตั้งได้ชั่วคราวชั่วคราวก็ดีแล้วมีประโยชน์มากมายใจก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นมันจะเห็นทุกอย่างไหลผ่านไปเหมือนยืนอยู่ริมน้ำเห็นทุกอย่างไหลผ่านไปใจเราไม่เข้าไปคลุกเราจะรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตัวเราสักอย่างเดียวเวลาเราไปยืนริมแม่น้าเห็นเรือผ่านมามีใครรู้สึกว่าเรือเป็นเราไหม รู้สึกก็เพียนแล้วไปปรึกษาจิตแพทย์นะเห็นขยะลอยน้ํามาเห็นหมาเน่าลอยน้ํามาใครรู้สึกบ้างขยะเป็นตัวเราหมาเน่าเป็นตัวเราไม่รู้สึกใช่ไหมนี่เราจะเห็นสภาวะธรรมนะเห็นรูปธรรมนามธรรมาไหลไปต่อหน้าต่อตาเราเห็นร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวเหมือนเห็นหมาเน่าลอยน้ําร่างกายที่กําลังกระดุกกระดิกนะบางทีร่างกายก็อยู่เฉยๆเหมือนหมาเน่าติดอยู่ริมตะลิ่งไม่ลอย ทำไมต้องเหมือนหมาเน่าเหมือนจริงๆพระมหากัสสปะท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้บอกว่าจิตของพระอาหารหันต์เวลารู้สึกถึงร่างกายเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นหมาเน่าไม่ใช่ของดีของวิเศษท่านบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าสวยงามติดเครื่องประดับมากมายพรมน้าอบน้าหอมทาแป้งเสร็จแล้วเวลาจะออกจากบ้านก็หยิบหมาเน่าตัวหนึ่งคล้องคอไปด้วยถ้าเราดูเป็น เราจะเห็นว่าหมาเน่าตัวนี้ไม่ใช่เราหมาเน่าตัวนี้แหละที่นั่งอยู่นี่แหละนี่หมาทั้งห้องมีหลายตัวเหมือนกันหมดแหละเหมือนกันมันจะรู้สึกเลยกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเหมือนหมาเน่าลอยน้ามาเท่านั้นเองจิตนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เป็นนา ม, มาทำก็เหมือนสิ่งที่แปลกปลอมลอยน้ำมาอันนี้สิ่งที่ลอยน้ามาทางจิตใจบางทีก็สวยงามใช่ไหมบางครั้งก็มีความสุขผ่านมา บางครั้งก็ไม่สวยไม่งามของไม่ดีผ่านมาบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าใจของเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นทุกอย่างมันไหลผ่านไปเหมือนสิ่งที่อยู่ในน้ำในแม่น้ำลำคลองไหลผ่านไปทั้งของสวยของไม่สวยจะเห็นไม่มีเราเลยถ้าฝึกมากเข้ามากเข้า บางทีบางคนยังสําคัญผิดถ้าพวกทําสมาธิมากจะเห็นว่าไอ้คนที่ดูนี่ยังเป็นตัวเราอยู่แต่ถ้าคนไหนไม่มีตัวผู้รู้ขึ้นมาจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับไปนี่ไม่มีตัวผู้รู้ตั้งเด่นขึ้นมาแต่ว่ามีสติมีสัมมาสมาธิเป็นคณิกะสมาธิตั้งเป็นขณะขณะขณะอันนี้ไม่ต้องไปทําลายผู้รู้ทีหลังแต่ถ้าคนไหนภาวนาโดยเดินมาทางญาณทําสมาธิ ใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันๆคราวนี้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปแล้วเราก็ต้องมารู้อีกนะอย่าไปประคองอย่าไปรักษาตัวรู้ไว้ถ้าไปประคองไปรักษาตัวรู้ไว้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นตัวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกยกเว้นตัวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตายกเว้นตัวรู้อันนั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิครูบาอาจารย์วัดป่าองค์หนึ่งสอนดีมาก หลวงปู่ล่าปูเจ้าก็บอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิปิดเครื่องหมายคําพูดสอนขนาดนี้แสดงว่าท่านนี้นะภาวนามาสุดๆยอดๆเลยละ่ะท่านพูดได้ถึงขนาดนั้นคือถ้าท่านเห็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะปล่อยวางผู้รู้ไปก็ถึงที่สุดของการปฏิบัตินั่นแหละดังนั้นคนที่พูดเต็มปากเต็มคําอย่างนี้ได้นี่ระวัดภูมิทําได้เลยแต่ต้องระวังนะคนที่พูดตาม อย่างหลวงพ่อพูดตามหลวงปู่ล่าคนมันก็พูดตามกันได้สิหลวงพ่อก็จำครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังคนอื่นก็มาจำหลวงพ่อไปอีกทีหนึ่งไปพูดต่อพูดการระงมทั้งแผ่นดินเลยตอนนี้ฉะนั้นรู้สึกตัวขั้นแรกรู้สึกตัวนะขั้นที่สองตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนรู้คนดูจิตไม่ถล่มลงไป